ดูยากเยราะรยังเบือมึงแล้วเ ร, เราเล่าเรื่องวัศาสนาเสื่อมมันเห็นวิญญาณอ๋อเสื่อมไปะยางี่เองมีตำหนักตาลามมีแต่มันไม่สนใจนี่สิที่เหลืมันเหยียบไปเลยแลบไปเลยเรื่องอ่านเรื่องทำนี้มันก็เหมือนกับมีตัวพิฆาตมันเหยียบไปเลยที่เหมันเหยียบไปเลย ง่ายมา ก, ม, ากมีทุกแห่งทุกผลไม่ว่าคารวาสไม่ว่าพระวันเนิมันเห็นดีจะชัดนะไม่ได้ปิดบางที่รับอะไรเลยศาสนาล่วงไปสองพันห้าร้อยจะายอีกสปีกว่าสามีองปีปแต่วันพระเจ้าวันนี้ผ่านไป เร า, าประวัติมาห้าสิบกว่าปีนี่เลยความเคลื่อนไหวของวงศาสนาของพระของเนนเราก็ค่อยเปลี่ยนมาเปลี่ยนมาก็ไม่ค่อยผาดผลเท่าไหร่เหมือนทุกวั น, นทุกวั น, นโอ้ยผาดผลมากทีจริยๆลาบะแสดงออกมาทําความประพฤติของพระของเนนผาดผลมากพี่เด็กกับอันที่พูดแต่ก่อน ม, ม, มันมาเด่นขึ้นแล้วตระวางมผนปรจำได้ธรรมดาแต่มันไม่เด่นนะนยกออกรุงเทพที่เป็นเมืองหลวงเป็นที่ตั้งเฉยเฉยแล้วก็กระจายไปทั่วประเทศไทยเราแล้วทั่วสังคมม น, นุษยมดเลยเหในวงพุทธศาสนาเพราะว่าเราก็ฟังเฉยเดยวก่อน คือเป็นความเคารพของผ้านเนนทั้งหลายตลาดประชาชนเขาพูดออกมาจากความเคารพความเร่วมสยินดีของเขาเขาว่ากรุงเทพเป็นเมืองนักปราบมาอย่างนั้นฟังดิเนี่ยแต่ก่อนแต่ผมบวชใหม่ใหม่ผมได้ยินว่ากรุงเทพเป็นเมืองนักปราบคือผ้าที่ออกมาจากกรุงเทพเหมือนกับเป็นผ้าเป็นตัวอย่างอันดิบดี อันดิอันดีของทั่วไปในประเทศไทยเราทุกวัตถุวาทุกจังหวัดมีความยินดีกันอย่างนั้นเป็นความเคารพในพระที่มาจากกรุงเทพมาเป็นพระมีแบบมีศับดมีความรู้ปฏิบัติตามความรู้นั่นทรเดี๋ยวเป็นพระที่ดีั้ลว่าเป็นเป็นเมืองนักปราศนี่มันไม่ลืมนะแต่มันมาเดินขึ้นอีกทีมันสังอีก เด่นขึ้นเด่ขึ้นเดีวมันก็ชัดขึ้นเลก่อนว่าอย่างนั้นกรุง <c oughs> เทพเป็นเมืองนักปราชญ์ถ้าถ้ากรุงเทพมาอยู่ที่ไหนที่ไหนนี่ก็ดูผ่านเรอนก็ให้ความเคารพไม่ใช่ให้แบบประจบประแจงนะให้เป็นความรู้สึกจริงๆให้เป็นความเคารพสมกับที่ว่ากรุงเทพเป็นเมืองนักปราชญ์น <c oughs> <c oughs> ะที่นี่ มาทุกวันนี้เป็นไงโกงเงินข้ามไปแล้วเพราะว่ากรุงเทพเป็นเมืองอันผ่านนั่นน่ะฟังดิกลับกลับไปแล้วว่ากรุงเทพเป็นเมืองอันถานออกม า, ากรุงเทพไม่อยากมองดูหน้ากันเลย่านเน้นเพราะว่าตัวสําคัญสําคัญยิงลงเทีย่ยงหมดคือว่างนันเอาอีกแล้วหน้าที่พีกันเนาะทีนี้ตีบ ไ, ไม่ไม่ว่าจะพาดนเน้นะตีก็จงถึงประชาชนแต่ก่อนนั้นตีไปตีเพียงว่า พระเทนั้นกรุงเทพเป็นเมืองลอกปา่าเบอรเวลาเป็นอันพานเนี่ว่ากันหมดเนี่ยกรุงเทพเป็นเบอร์หนึ่งครับว่าเมืองอันพานทั้งพระทั้งคาววะ น, นัน่นมันมาเดินเองนะคือมันก็เห็นจริงๆในเรื่องยันกันอยู่นะสักขีพยานความประคฤติอย่างนี้ประชาชนเขาเบือ่อเราไม่พูดแอบลําเอียงนนออกพูดตามหลักความจริง เวลาเขาให้ความเคารพเขาก็ให้ความเคารพเราให้ความเคารพเราก็ให้เราก็ยอมรับ ว, ว่าเราให้ความเคารพทีนี้มันไม่เคารพจะให้ว่างไหมมันเห็นอยู่ในจิตมันไม่น่าเคารพเห็นอยู่เห็นอยู่ตาตายนี่นี่แหละมันเปลี่ยนมาเปลี่ยนมาอย่างนี้บวชมาก็ห้าสิบ ป, ป, ปีเนี่ยเราเห็นความเปลี่ยนแปลง ในวงพุทธศาสนาเฉพาะนักบวชเรานี่เปลี่ยนแปลงมามากมายทีเดียวนีว่น่นเข้ามาอีกในวงปฏิบัติน่าดีทุกเป็นกรรมฐานรู้สึกว่าปฏิบัติเพื่อเป็นความเป็นอัตเป็นธรรมเนิงแต่ก่อน แล้จอยู่ในป่านะเขาอยู่จริงๆอยู่เพื่อสลับเป็นสลัดตายในอัิจธรรมทั้งหลายอยู่นี่ครูบาอาจารย์ท่านพาดำเนินมาไม่สนใจในเงินทองเข้าของปัจจัยสี่สนใ จ, จเฉพาะอัดเฉพาะธรรมอย่างเดียวเท่านั้นนี่แต่ก่อน ในระยะที่เราอยู่กับครูวาจันที่ท่านเป็นอัตเป็นธรรมเป็นมรรคเป็นผลก็เห็นได้ชัดดัวกับกริยาของพระของเดนตลอดการอยู่การไปกันมาท่านเป็นธรรมถึงจะโง่ก็งโง่เป็นธรรมฉลาดฉลาดเป็นธรรมเรียกว่าธรรมนี่ออกหน้าอยู่เสมอเด่นอยู่เสมอไหนมาทุกวันนี่เป็นไงมันเปลี่ยนเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนดูยี่หมวกด้วนดู หรือมันเรื่องหาเรื่องอุตตริแต่ผมคนเดียวนี่เหรอเราก็ไม่ได้มีในเจตนาของเราเรื่องอุตตริไม่อุตตริหาเรื่องมาพูดในของไม่มีนีมันก็เป็นแบบนั้นลุงวิบัติทั้งหล่อนเสือมมเส่อมลงไปเสื่อมลงไปแล้วนะเทศก็หายดีเทศได้ฟังพอแล้ว แล้วก็กำลังแซงหน้าแซงหลังนี่กับไปเด่นในนิมิตของพ่อแม่ผู้จารที่พูดที่เขียนไว้ในหนังสือประวัติท่านเนี่ยเวลาจิดรวมเพิบรงไปฟังนี่ท่นว่าทว่ารวมเพิบลงไปนิมิตแสดงกะบที่เนี่ยท่านวางกันนะมองดูพระดูเนียนดูยี่แซงหน้าแซงหลังท่านว่างกันแสงซ้ายแซงขวานะ่ะออกหน้า แสงัขึ้นไปปวดดีปวดดีอวดเด่นนะความเทียบทั้งกระเทียบแล้วนี่มีมากทันว่างนันนะที่มาตามหลังอย่างเรียบร้อดอย่าง ส, บสงบเสงฉยมงามตาเนั้นก็มีแต่มีน้อยให้แฉงหน้าแฉ่งหลังนี่มีมากทว่างนนันกําหนดอีกทีหนึ่งเอฟังดิฉันกําหนดพิจารณาอีกทีนั่นทำไมมันถึงเป็นอย่างนี่นนอย่างฝ่า ได้เหตุได้ผลนี่ความขึ้นมาชัดเจนหนะนักหนักหน้าดักหลังแจ้งหน้าตั้งหลังนั่งกิบกบวดดิบวดดีวดูอดฉลาดยิ่งกว่าครูกว่าอาจารย์ไปซะแล้วมผู้ที่เดินตามหลังมาอย่างทั้งบตั้งเหงย่างงามตานั่นก็คือลูกศิษย์มีครูปฏิบัติ ตามคูบาอาจารย์ด้วยความเป็นอัตเป็นธรรมแต่มีน้อยท่นว่าพูดอยู่ไม่รู้กี่ครั้งนะขอให้เรื่องไปสัมผัสท่านนาออกมาพูดอันนี้ไม่มีใครพิเศษนะในงงรงถ้าก็มาสารเราที่เคยอยู่กับท่านจะต้องได้ยินเสมอเวลาเรื่องไปสัมผัสท่านจะนํามาพูดถ้าไม่ได้พูดออกมาด้วยความตั้งหน้าต่างตา เมื่อเรื่องมาสัมผัทั้งมานำมาไม่ว่าเรื่องใดก็เหมือนกันถ้าเป็นสัมผัสสัมผัสแล้วออกม า, ม า, าเนนกินมากกี่ปีนะงั้นทางก็มาพูดในหมู่วนื่อนก็นำเรื่องนี้มาผมก็เห็นอยู่ความเป็นของพระงค์แตของมันมีเจตนาที่มีความงูเงาเต่าตุน ความเชื่าตาอันเป็นเรื่องของจิตเดชออกน้า อ, อตายเส่เหมอนี่มันก็เด่นอยู่ในแต่ละคนละคนเจตนาไม่เจตน า, ม, นา ม, มันก็เป็นทั้งมันหนึ่งจะไหมท่านพูดยังไงอันก็เอาเรื่องนั้นมาเป็นบุตรเทสนาว่าการเราพูดมาตั้งแต่ก่อนที่เราบวชใหม่ๆว่าก ง, งเทศเป็นเมืองนับปรารแลวต่อมาเดี๋ยวนี้ ก็เปลี่ยนว่ากรุงเทพเป็นเมืองอันธพาลเป็นเมืองนักป่าหมาติ้งพระนะความรู้สึกของประชาชนผ่านเทั้งหลายที่ให้ความยกย่องเรคือว่ากรุงเทพเป็นเมืองนักป่านั้นหมายิึงพระเป็นส่วนมากยิ่งกว่าประชาชนแต่เวลาที่กลับสาลปัดกันเป็นผลลบขึ้นมาแล้วลว่าแบบกรุงเทพเป็นเมืองอันธพาลได้กลับเป็นทั้งอันธพาลทั้งประชาชน คือทั้งคาราวาสทั้งภาพอะไรความรู้สึกไม่เป็นแต่พระเหมือนอย่างที่คําชมเชยบนเวลาคําตําหนี้กลายเป็นเมืองอันดับ่านไปทั้งประชา ม, มิปงแล้วก็ถู๊บังนีเมืองไหนจะเจ๋งกว่ากรุงเทพวะอืมความฉลาดแหลมผมของพิริศของความเชี่ยวชาญแลวความคนเหลือไม่เคยมีผมก็ได้ยินในกรุงเทพยนั่นแหละคล้ายๆกันเหือกันเพรานั้นจึงแบบเป็นเมื อ, มองอันดับ่านคือมันออกหน้า ตาบตาก็ออกหน้าอันดาพานกันเลยออกหน้างันทีนี้นี่กันแล้วก็พูดตามความจริงอ้าวมาชาวฮังพีเลยนี้คาดมันไม่ได้เป็นเหมือนแต่ก่อนแล้วเขาลังเกียดนีจมองเขาฮังกเป็นต้นพืชเหลวแหละเขาว่างันเพาไม่ได้ว่าเป็นเมืองนักป่าเหมือนแต่ก่อนไม่เหลวแหลกไงยมันอยู่ตามลุงลำลงลงลำลุลงลุงแนมเลยเต็มไปหมดเห็นกันอยู่งั้นจะใช่เขา ม่าอย่างไงไม่ได้อุจลีแต่ความันก็ไม่เต็มเดี๋ยนี้เห็นเป็นนะจับตึกกันไม่รู้กี่องค์กี่องค์ขับไล่สายจงออกสัมวาจาวาแบบนี้ที่ไม่รู้ที่ไม่ขับไล่แล้วมีมากขนาดไหนพวกอันธพาลเนี่ยหน้าหน้าคิดที่ไม่หน่าคิดพิจารณาเลยมันจะหนีความจริงไนไหนนี่จะกรุงเทพกรุงเทพไปเลยเมื่อยืนก็ไม่ได้เลยยกเว้นว่าจะไม่หนี มีหักที่ตรงนั้นมันเป็นมันเคยเด่นอยู่แล้วก็เลยนั่นเป็นเมืองใหญ่มันก็ต้องขึ้นตรงนั้นก่อนแหละไม่ว่าเมืองน้ำป่าไม่ ว, ว่าเมืองอันดภานั่ต้องขึ้นตรงนั้นก่อนอืมลังเลวไหลไปแม่ลังศาสนานี่แบบวชมาก็ได้ห้าสิบกว่าปีความเคลื่อนไหวของศาสนาก็ดูมาดูมานาก็ลอดทังทางโลก ก็เปลี่ยนเปลี่ยนเป็นผลลกจนโล ก, โลกเพาะว่าโลกจเจริญเจริญเจริญอะไรเป็นฟืนเป็นไฟทั้งประชาธิปันธ์หนึ่งทั้งสองด้านนี้เป็นไฟเผากันไปตลอดเลแต่ที่ไหนเป็นอย่างเดียวกันตลอดนั่น ม, มันจเจริญอย่างนี้มันไม่จเจริญความสงบสิทิ์ล่มเย็นเพราะทําไม่เจริญนี่เลยที่เลือเจริญความโลกก็เด่นมากที่สุด เพราะอย่างนี้ราคาตันหานเด่นจริงๆนะเด่นจนหน้าบ้านวางันถึงนะมันมันเลยมันมันเลยเด่นแล้วก็เปลี่ยนเป็นด่างเลยเด่นกนนป็นด่างด่างได้หมดขนา่นี้โอ้อันนี้แหละเป็นต้นเหตุจริง อาวิชาปัญิาสร้างคาราเขว่าว่านั้นเป็นเป็นเพื่อเป็นพื้นที่ใช้ตัวนี้ขึ้นมาเด่นเป็นเจ้าอำนาจแล้วขึ้นมาเราเป็นราคะตัณหานก็เอาความโลภมาจากไหนเนี่ยเพื่ออันนี้โลภเพื่ออันนี้โกรธเพราะอันนี้โกรธ เ, เพื่ออันนี้นะ่ะเกียวกันพอนี้ทําลายเพื่ออันนี้อันนี้อันนี้เลยที่ไหนลงตรงนี้แหละหน้าที่ง้นทุเรกนะต่างคนต่างส่งเสริม สังคนต่างชมเชยยกย่องว่าดี ป, ป้าดีแน่ในเร่างทุกิน ม, มันไม่น่าจะออกมาออกม น, นี้แต่อันนี้ทางานนะโอ้ยชุ่เลี่ยนจริงก็ไม่เห็นใครว่าใครนะเป็ น, น, นยังไงนะยกย่องว่าเ็นของ ด, ของดีของดีโคเนสตรีแฟชั่นไรอย่างนั้นมันเปือไปหมดแล้ชุดอาบ น, น้าไปแล้วบางที มันเป็นหมาอะไรมันชุดอะไรอาบน้าอะไรมันชุดหมานี่ยังเป็นไปได้แต่พราะตัวผู้เห็นทุกคนผู้ทำมาทุกคนมันเป็นแบบเดียวกันหมดแล้วมีใครําหนีใครได้ไม่ทำหนีทาไม่มีความรู้เหนือนั่นความประพฤตเหนือนั่นไดมันก็ําหนีอันนั้นมาได้เนี่ยนึกทุเลศนะมองไปนั่นก็มันไม่ใช่คนตาบอดหูหนวก ไปไหนตาก็ติดไปด้วยหูติดไปด้วยความสัมปัตสัมพันธ์ที่อยู่ในเนื้อในการในใจมันก็ติดไปด้วยมันทำไมกับสิ่งภายนอกมันเกี่ยวโยงกันอยู่มันจะไม่สัมปัตสัมพันธ์มันจะไม่กระตุกความรู้นนั้นให้คิดล่ะมันก็ต้องคิดเลยทีมันเห็นเลยทีได้ยินเยท่มันเป็นมงคลเนื่อเป็นมงคลโู้สุดเด็ดจริงนะโอ้กับนี่ศาสนาจะไม่มีอะไรมันเห็นตานตาถ้าศาสนา เพียงศาสนาเสื่อมเพียงสิ่นี้มันจะเป็นยังไนความร้อนของของโลกของธรรมเป็นยังไงให้มากกว่านี้จะเป็นยังไงอีกนะั่ น, นบสรงอยูะสวงนี่แบบย่นเข้ามาในวงกรรมาถามของเรานี่มันจะหมดอะไรมีแต่ชื่อของคูบาอาจารย์หนายขายกิ น, น, นทุกแห่งทุกคนนะไปเที่ยวเจริญพรเจริญแผนอยูไ่ไหน เป็นบ้านเป็เมืองเป็นกรุงเทพเดี๋ยวนี้กรรมาฐานสายพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นเดี๋ยวนี้มันไปเจริญพรในกรุงเทพหลังจากนั้นก็ที่มันกาลังเด่นมาดูลําดับงๆนี่ก็คือกรรมาฐานสัตตหะอิอาคัสสตหาหะอิอาคัสสตหาหะมันสัตตหะด้วยเหตุผลกลไนอะไรถ้าไม่สัตตหะเพื่อเจริญพรนี่วมันจะเป็นเพื่ออะไรเอาไหมอันนี้อันหนึ่งทุเรียด น, นะผม นี่ไม่มีจะเทียงพระผู้น้อยนะผู้ใหญ่มันก็เป็นไม่ความเคารพไม่เคารพ ผ, ผมผมผูอย่างนี้นะไม่ควรเล่นด้วยผมไม่เล่นด้วยหลักธรรมบบนี้ัยขึ้นเป็นเรื่องใหญ่โตที่สุดกว่าครูบาอาจารย์เถระเถโรบแบบนี้นะ่นมีอยู่ถ้าไม่มีแล้วก็ไม่ว่านะรับผมรับตามพูดอย่างนี้เราเราผมรับตามไม่เปิดมีแบบตามแบบการฉบับเห็นด้ดวยกันทุกคนเป็นยังไงหลักของการสัตย์หามีอะไรบ้าง ท่านวาดไว้งไงบ้างนันเห็นกันอยู่นี่พลาวเอาสัตตหาไปแบบรับหูรับตามดูสิหน่ะเอ้าก็สัตวตหาเอ้าก็สัตตหาโดยสัตตหานี่เป็นเป็นช่องสําหรับอันดาพานจะหลั่งไหลออกมาอันดาพานของกรรมฐานเราเหลั่งไหลออกไปแบบผู้จากบาตาออกจากช่องนี้เนี่ยพริกกับเจตนาของพระพุทธเจ้าจะคนนั้นโลกไปเลยออันนั้นท่านทรง ผ่อนผันเนลวลาจำเป็นจริงๆแล้วก็มีมีผ่อนผันเหมือนกับยาบรรเทาทุกข์ถึงจะไม่หายก็ ก, ก็บา น, น, นเทียงบรรเทาจำบังรษบสามเดือนไม่ให้ไปไหนมาไหนมีเป็นกฎบังคับตายตรวอันนี้เมื่อมีความจําเป็นแต่คนปฏิบัติจะไงเนี่ยก็ผ่อนลงมาก ah ah. า, ารสัตหาการสัตหานมันมีข้อยกเว้นยังไงบ้างที่ควรจะสตัตหะเนี่ย ก็มีเป็นลําดับล er ําดับเดี๋ยวนี้มันไม่ได้เอานี้มาใช่สิอะไรก็สัตย์สหอะไรก็สัตย์สหแล้วยกกรรมฐานแล้วนี่เป็นที่หนึ่งเนี่ยนอกแต่นี้เราไม่ยกเห็นเหมือนกันเราก็ไม่ยกเพราะมันไม่กระเทือนกันอยู่ตลอดเวลาเหมือนวงกรรมฐานเหล่านี้มีเป็นนั้นนั้นอ่ะสัตย์สหอะสัตย์สหไม่ชาววันมีเหตุผลกลไกอะไรเออไปอีกช่องนี่ละที่นี่นี่นะไปมีตั้งแต่ มีแต่เรื่องเจริญพรนั่นล่ะหาที่แตกนั่นเลยจะเป็นเรื่องอะไรหมดแล้วนะนะทำแลที่หนีออกมาแล้วอ่อนเข้าไปอ่อนเข้าไปจิตใจนี่อ่ อ, อนหดเข้ามาย่นขึ้นมาผมพูดจริงจริงเป็นนะ่ะหัวใจมองดูเนี่ยนยะิ่งเราแนะนําสั่งสอนเต็มอัดเต็มทำเต็มภูมิความสามารถของเราแ ล, แล้วผลมาแสดงให้เราเห็นี่ยิ่งทําให้มันหดมันย่นเข้าไปโอ้นั่นนะแสดงนั่นนะ หมดกำลังที่จะพูดแต่ละแล้วโอ้ยเอ๋อแล้วกันแล้วกันนักพิณนี่เป็นอย่างนี้เอ๊ะนับบันกลุ้มแรงนบบันมากขึ้นมากขึ้นยิออกภาษาเนี่ยะยู่เยี่ยยั่เยียนั่นจัเลยนะไม่มีแบบไั่นมีสมบับิแล้วในพระเนรนี่ก็เหมือนกันมองเห็นมันมันสะเพื่นหัวใจสเพราะเห็นมัน ตามมมตานี่นะสะเทือนก็หัวใจตาเนี่ยก่อนอื่นผมมองเห็นเท่านี้มันจะเห็นเนี่ยก่อนแล้วมันนี่มีเจตนาที่จะยกโทษยกกรหมู่เพื่อนเราเป็นครูเป็นอาจารย์สอนหมู่เพื่อนเพื่อความสวยงามเพื่อความเป็นอัตเป็นธรรมแ ท, ท้แต่สิ่งที่มันจะได้ขึ้นมาก็เหมือนนังมวยขึ้นไปแล้วไปไ ป, ไปกับสอบเขาต่ออย่างนี้ครูฝึกความแทบเป็นแทบตายไม่มีความหมายอะไเลยนั่นที่มันหน่ากล่าวเสีด อ, ออกมาอันนี้ไงที่เด่นมัน ถ้าหลุงมันได้จนมันจะไม่น่ากลาววาเป็นยังไงพูดไปพูดไปกลางนี่แหละที่มันกระเทือนมองเห็นมีดจะท่าคึกท่าขะนองเอ๊ะทำไมยิ่งเป็นอย่างนี้ผ้าเนรเราเนี่ยบ้าแม่ตรงมาเห็นเนาะถ้าคึกท่าขะนองถ้าเราถ้าตันหานี่เราเอาพูดง่ายนี้เลยมันออกก่อนเพื่อนถึงจะไม่เป็นออกเดินจับดาบแบบโรกเขาก็ตามออกแบบผ้ามันยิ่งมันมันก็ไม่น่าดูเพราะแบบเพราะพระนี่นะนี่ที่อัน พี่ยาที่พูดออกมาพี่ทำมันกระเทือนในลูกตานจนมันจะแตกความความขนองยิรมยาขนองคำพูดพูดขนองอ น, นี่แบบทำไมถึงเห็นโดนละพายาออมาก็โดนเลยโดนเล ย, เลยแล้วก็เดินนำไปคิดอีกแล้วออันนี้ มันเด่นหน้าทุกอย่างอันนี้จะต้องออกหน้าออกหน้าเนี่ยมันอดไม่ได้นะอดกดคิดไม่ได้นะทุกอย่างอันนี้จะต้องแซรบแล้วแสงออกหน้าแสออกหน้าพาอนนี้เป็นข้ามหน้าม า, มาถึมาทัศน์วิชามาแล้วกับคูนี่ถึงนตัวทำงานแผนเป็นตัวบงการเหมือนสํเาเนลราชการผู <c oughs> นน้นั้นเป็นผู้สำเนลราชการ มองไม่เห็นเลยมองแค่เห็นแล้วเนี่ยที่ทำมึงนี่นะเนื้อ